ถ้าถามใจมันดูฟางใจมันตอบถ้ามันตอบมาอยู่ที่อื่นแล้วก็เต็มตัวลงนรกไปถ้ามันตอบมาอยู่ในกายแล้วก็ถามมันดูที่กายของเราเมืเ่อไหร่อครบของสกปรกเข้าไว้เต็มตัวแบบนี้าาากายหะครสะอาดจนสกปรกกายของเรานี่มันทรงสภาพมันมันเป็นแท่งทิพย์มันเปียกกายกายเป็นวัตถุท่อนเดียวแล้วมีหลายท่อนกายเราเป็นแท่งทิพย์โปร่ง ถามมันดูถ้ามันฉลาดมันก็ตอบข้างในมันมันโปรมีหนังกระพร้าหุ้มอยู่มีเนื้อพอ่ออยู่ภายในภายในนั่นเข้าไปก็มีกระดูก เ, เลยกระดูกเข้าไปโปร่งหมดเป็นช่องว่างมีเครื่องจากคนต่างๆมีตับไตไส้ปรดแต่หานใหม่หันเกา่าน้าเลือดน้าเหลวน้ํำน้องเสพหาอุจาระปัสสาวะเต็มไปด้วความเจ็กระปรกหาอะไรดีไม่ได้เลย ถ้าว่าถามมันดูที่ว่าในเมื่อร่างกายมันสกปรกแล้วเราจะปนคบกันมเราชอบสกปรกเพราะว่าเราชอบสะอาดถ้ใจมันชอบสกปรกจะบอกเลยจะดีแล้วตัางกายภาอินมันระรกเพราะนรกมันมี้องทําลายความสกปรกคือมีไฟเป็นเครื่องเผาเชี่ยนโตโครกมีสันเผาเป็นครื่องสับปันเก่ยนโตโครกอันนี้ถ้าว่ามันตอบว่าสกปรก ถ้าไม่ชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราจะหลงไปอยู่เขาเดะยวน์อะไรมันดูกายก่อนปารานทุกองต้องผ่านกายยัตตาโนสติกรรมฐานอันนี้เขาเรียกว่ากายยัตตาโนสติกรรมฐานเมื่อเห็นว่าศกกระบอกแล้วคุณจะนาให้มันเห็นว่าเป็นศกกรกจริงๆอย่าไปหลอกตัวเองเล็กให้เห็นตั้งความเป็นจริงว่ามันศกปรก ทำจิตให้เขาถึงความสุกระบอกของร่างกายสร้างความเบื่อน่ายเผยอิสเอียนในร่างกายที่จริงๆถ้ามถึงจริงๆให้นคนทุกคนให้สัตว์ทุกประเภทมองปั๊บผ่านผ้าผ่านหนังผ่านเนื้อเข้าไปทั้งหนเลยย้ายตามันไปติดอยู่ที่ผ้าพลาสติกภายในอกหรือว่าผิวห น, นังในแผลแล้วเมื่อเราเห็นตัวเราตัวเรานี่สําคัญถ้าเราเห็นสุรกระบอกชั้นแรกเราไปเห็นเนื่อคนอื่นสุรกระบทั้งหมด <c oughs> ถ้าเรายังเมามันว่าเราสะอาดนะฮความโผงผู้นรกมันยังมีกําลังมากท่นี้เห็นมไหมร่างกายสปกสปรกสกปรกทั้งมันเป็นยังไงเนี่ยก้าวต่อไปก้าวเดียวเป็นนิพพานายา น, นตัวนี้เป็นสมสถะสกปรกเป็นหน้าเสียเสียเอียนแล้วก้าวต่อไปเอ็กซพร็อกสกปรกเหล่านี้นี่มันเป็นเราจริงหรือเป็นของเราหรือไม่ใช่เรา แ้วไม่ใช่ของเราตร้องมีสิมาแล้วแต่ถ้าจิจดจบและถ้าจุดทศ ก, กุจเจนนามไปแล้วแ ม, ม้มันสกปรกจริงๆเราก็าพยายามหาสิ่งที่สะอาดสะพ้อนมาเข้าไปอาหารจการะกิงเข้าไปแต่ไรชิ้ต้องทําให้สุกต้องทาให้สะอาดน้ําแต่อย่างแม่ต้องหาดีไม่ดีน้ำปลาปลากินไม่ได้กินน้ำฝนมัมันเอาให้สะอาดที่สุดแล้วมันพยาย า, าสมยายสะอาดเลย จะหาความสะอาดอะไรไม่ได้เลยมันก็เพิ่มความสุกกระบกขึ้นมานี่มันมสุกกระปกแล้วมันทรงตัวไหมเราต้องการให้มันทรงตัวมันไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันสุดโทมไม่อยากให้มันตายมันทรงตัวหรือเปล่าถ้าพิจารณาไปจริงๆแล้วมันก้าวขึ้นไปหาความพังยันทุกวันมันสุดโทมอยูทุกวันทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งประสาท ได้ความคิดเต็มไปด้วยความเสื่อมเสีม่มโนไปทุกวันนี่เป็นตัววิบัสิสัญญาณเอาสมรรถตัวนี้นั่นแหละเข้าไปวิบัสิสัญญาณเมื่อร่างกายนี่ไม่สก ป, ปกไม่คอนี่มันยางเสื่อมมันลดไเข้าไปหาความตายจัดกลุ่มแต่างๆภายในเลือหนังที่ตา ก, กดลงไปเชียนต่างมันลดหายลงไปทุกทีความเป็นนมเป็นสาว ม, มีร่างกายเต็มที่เ่งมต่างก็ไมเลือดขาด มีความเอิบอิ่มเพราะเรื่องความเบ่งแก่อะไรหมดเกี่ยวนวลแข่งนี่ออกมาทุกทีนี่มันเป็นอะไรเพราะมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราอยาจิตเข้าไปเกาะมันไอตัวทุกขังมันมาเพราะจิตมันเข้าไปเกาะเพราะว่าร่างกายนี่มันจะต้องทรงอยู่แบบนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องดีแสนดีมันย่อไม่เคลื่อไนไหวไปไหนอันนี้มันคิดใจจิตทขาไปเกาะมันทําไม ในเมื่อมันมีสภาพมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนมีทการมีการแตกสลายเป็นที่สุดก็เชิญมันตามสบายถ้าเราจะไปเชิญมันเราไปขวางมันเราก็ขวางไม่อยู่เนี่ยเมื่อเราขวางมันไม่อยู่จะไปขวางมันไหมถ้าคือขวางมากเท่าไรมันทุกข์เท่านั้นมันเดือดร้อนเท่านั้นตามใจมันเสลยถ้าถึงไม่ตามใจมันมันก็จะเปลียนแบบนั้นมีรุปว่ามาเหมือนกันน้ํา น้ำย่ำไหลจากที่สูงลงไปหาที่ต่ําถ้าเราอยู่บางๆเราจะบันน้ําจากที่ต่ําขึ้นไปที่สงูงมันเป็นไปไม่ได้โดยทั้งคนเหนื่อยหนะักถ้าเราตั้งใจเอาเต็มที่เอาจริงๆไม่ความลําบากใจมันเกิดขึ้นคือความทุกข์มันไม่สมเหตุคนเมื่อร่างกายของเราสมแข็งกันมันเปลีย่ยนในจังมันไม่เที่ยงมันก็เคลื่อนลงไปเคลื่อนลงไปเพื่อเปลี่ยนหน้าตาสลายตัวนี่พอพิจารณาถึง การสุกปรกของร่างกายแล้วก็จับนิพพานายเป็นนิพท า, ยายในใหญ่นี้ข้ามขั้นไปเลยไม่ต้องไปไล่เบียร์แต่ยานต้องแรงต้นนั่นนั่งไล่เบียรตามแบบเั็นช้าจิตไม่ข้ามถึงไหนเอาถึงั้นในเมื่อร่างกายสุกปกเอานิาพพาเอานิพพานใหา่เข้ามาจับไอ้ของสุกปกนี้เราควรจะทิ้งมันไปที่เราควรจะเก็บมัน ถ้าเห็นจริงๆความเบื่อหน่ายมันจะปรากฏมันเบื่อมันเบื่อก็ผลขึ้นีตัวทิ้งตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิพพยายนแล้วเป็นยานที่แปะคือสังขารเปรคาญาณนี้ปรัชญายานมัจบที่สังขารอยู่ที่สังขารเปรคาญาณญาณที่แปะความจรงมันมีเจ้าตัวทิ้งขันห้าในแกะรัตรัตเฉยมาทั้งที่สร้างมา ยาแก่ก็ฉันแก่ยาล่วยก็ฉันป่วยอมันยังไม่ถึงเวลาตายทิญงาเลครับเวทนาไวมันตายมาแล้วคนเหลืทิ้งถ้าตายแล้วเราจะทำยังไงสังขารโรคภัยคายาเนี่ยมันวางเฉยยตัวเบ็ดานในสัญญามสี่นันแหละถ้าเข้าเบทิ้งจวิปัสสนายาไม่เป็นสังขารโรเภัยคายยาเลียผมบอกแล้วเนี่ยคนบอกว่าคนวิหารสี่มันมีทั้งศีลทั้สมาธิธรรมญา ก็วางเฉยแก่ก็แก่ป่วยก็ปว่ปวยตายก็ตายมีกินก็มีไม่มีก็แล้วตายก็ช่างว่ามันอะไรมันจะมากระทบกระทั่งภายนอกถือว่าเป็นเรื่องธรรม ด, ดาก็เฉยช่างมันช่างมันช่างมันหมดเลยไอ้ตัวเบวค้าคือตัวช่างมันถ้าพูดในภาษาไทยเราไม่ยินดีไม่มีนร้ายกับมันใช้ก็หมดเรื่อนี่ตัวนี้ทรงให้หนักไอ้ตัวช่างมันเนี่ยทรงให้หนัก ถ้าเราทรงตัวช่างมันได้เต็มที่แล้วก็เส็ผมไม่บอกเลยว่าท่านจะเป็นพระโสดาบัน <c oughs> ถ้าเราทรงช่างมันได้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะ เ, เป็นพระราห์ถ้าหันแล้วไม่มีอะไรมากก็มีตัวช่างมันท่านั้นถ้ า, าช่างมันโดยปกติแต่ว่าช่างมันจะเพาะในเรื่องขันห่านะจะใครทําผิตก็ทําีในใจก็ไม่ได้อันหันช่างไม่ได้ ต้องขวางทันทีเพื่อษาความดีของพระเจ้าไว้เมื่อตัวช่างมันไม่เกิดขึ้นตนัวมีลมชื้นกายชุ่มชื้นใจ ก, ก็เรียกก็ิรีสัจจานุโลมวิทยานปัญญาที่เก่าเวราะสัจจานุโลมมิจัยยานครับพิจารณรราอริยสัจวนไปวนนาเกิทุกข์แต่ความคนอยากเกิดให้เกิดทุกข์มาจากตัณหา มีโลภถ้าเราดับทุกได้มา่อไรแล้วก็มีความสบายไอ้ตัวที่จะดับทุกได้คือมรรคในกาสิ้นสมาธิปัญญาไปๆมาๆก็มันทิ้งสิ้นสิ้นสมาธิปัญญาไม่ได้ทิงก็สิ้นสมาธิคือตัวสมรรคปัญญาคือความเพียรเพื่อในการวิปัสสนาญาณ น, นี่วนไปวนมาวนมาวนไปอยู่พักหนึ่งถ้าเท่าทิ้งจุดนี้แล้ว ถ้าวนไปวนมาจิตมันยังไม่พ้นตับช้งโยกไม่ได้ตัว น, นี้ไปจับเอาบารมีสิบเรือกายเข้ามาให้ดึงบา ร, รมีสิบเรือกายเขามันนั่งนับว่าบา ร, รมีสิบเรือกายตัวนี้เขาเราบกช่อง ต, งตรงไหนบ้างดูที่อารมณ์ใจเขาเรามันยังตรงไหนมันยังไม่โจ้ใจบ้างมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมันต้องพลาดอยู่ บารมีสิบระยการนี่มันตัวควบคุมใจเข้าถึงความเป็นท่าเรียเจาวอย่างเร็วที่สุดเป็นตัวเสวนาบันมี่แตวันเร็วๆเร็วอะไรเดียร์เร็วหมาเร็วอะไกันถ้ามีบารมีสิบนี้ครบทนลายเดียรท่านถาบารมีสิบนั้นมันมีปุบปาหวาไปให้บารมีประวัติเต็มเพื่อทางกาลังใจเต็มพร้อมโมในการปฏิบัติงานตามหน้าของบารมี ท่านไม่อยากกไปเสียดายพระเจ้าคนในวัดจะไปเสียดายถ้าคนมีบา ร, รมีครบคนพวกนี้เขาไม่เลยกิจที่ต้องเดินผ่านภาระอันใดที่ปรากฏมันจะเสียหายก็ตามสิจที่คนจะทํำพวกนี้ทําทันทีนี่บา ร, รมีมันสิดบา ร, รมีเป็นวิยะบารมีเรื่องบารมีนึ่นก็ต้องความมันเป็นหน้าบา ร, รมีมันไล่เดียงกันเขา อันไหนไม่ครบสร้างกำลังใจให้มันครบพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติถ้าเห็นด้เข้ามาถึงจับจิตจับได้เอาเข้าไป้รับ ท, ทันทีอย่างนี้แสด ง, างบารมีของเราสมบูรณ์จะถึงปรมัติย่างอันต้องเข้าถึงปรมัติ์ถ้าปรมัติ์เต็มที่แล้วเป็นอนหรหันต์ทันทีถ้าเราพิจารณาสัจจารรลิรสยาน ถ้จิตมีนิพพิทาใหญ่นะสังขารุเปฆา ย, ยานเลนนี่เป็นอาหารได้สบายสบายแล้ว <c oughs> แต่ว่าย่างนะถ้าบารมีเ่องมันขัดที่บารมีแล้วก็จับเป็นบารมีให้อยู่มันตรงไหนหนอมันช่องต้งไล่เบี้ยบารมีให้หนักเอาแล้วบารมีสิทมา ก, กลางอันนในทุกวันอ่านแล้วก็วัดใจกันไปทุกวันถ้าใจมันครอบคลุมบริบาราูรณ์เมื่อไร เราก็ยางเร็วที่สุ ด, สดลแล้วก็เป็นรวสุดาบัตไม่ยากเลยแล้วก็เผลอเผลอกลับเดียเ๋ยวเจ็ดวันหรือว่าเจ็เดือนหรือว่าเจ็ดปีแม่เนจะ็ดปีวันเลยมากอย่างเร็วภายในเจ็ดวันเราไปาระหันยางกลางภายในเจ็ดเดือนเราไปละหันยานยาเร็วหมูเลยไหนด้บอเลยหมาไม่หยาบเลยหมาอีกว่า เลวหมาไม่กินในเจ็ดปีเป็นพระลานนี่เราปฏิบัติตามที่เราปฏิบตัติวันนี้มันเข้าจุดหมายปลายตรงทางตามจิตแล้วว่าอย่าอวดตัวเป็นคนฉลาดถ้าตามตัวเถ็นคนฉลาดแวะนู่นแว่นี่สงสัยนั่นสงสยัยนี่นะไปเลยจะอยู่กับหลวงพุทธสบายๆไม่ต้องไปมาแลไอสวรรค์นม่ผ่านถึงมันโลก อันนี้พูดวั น, นีก็พูดเพื่อเข้าใจว่าจะได้มาประมาทคำว่าประมาทอย่าให้มันมีในใจว่าคำว่าไม่เป็นไรตรงยาใช้ซึ่งชีว่าความชั่วนิดเดียวทําแล้วไม่เป็นไอย่าอันนี้ความดีที่เราจะทำก็เหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็าทำอีกแพ่คู่จะถึงวําให้สักพักก็ถึงว่าทา ถ้าลงมาเดี๋ยวหนึ่งก็แสดงว่าเราประมาทดูวัตถุเป็นของสูงฉันเกลียดได้แต่คนไอของสูงมันจะเสียหายถ้าเราเดินผ่านไปผ่า น, า น, านมาแบบไม่สงสยัยแนะโหยังไกลสวรรค์เยอะเลยพราออะไรบารบมีสิบไม่ได้ติดขึ้นมาเลยไม่ได้เสี้ยวหนึ่งแม้ได้หยดหนึ่งของบารมีสิบไม่ได้มีเลยไม่กันน้อย ยังต้องให้ใครเขาเห็นยังไม่ยอมรู้ว่าอะไรมันจะดีมันจะชั่วมันจะเสียมันจะไม่เสียเราเป็นพระเราเป็นคนในวัดจิที่จะต้องเพทําเพื่อรักษาของบารดาสลายอ น, นี่ผมไม่ได้เกี่ยวเขนนั่นเ่ยผมสังเกตอยูดด่ตามนี้แล้วก็ผมก็สังเกตตัวของบุคคลนี้เขาจะบรรลุกง่ายๆพวนี้เดินไม่ไมเดินไปไม่ไกลเดีนนยนอนจะเสียเจ น, นี่จะเสียรู้ของมันจะเสียรู้ผ้าของอะไรมไม่คนไม่คนอยู่ที่ไหน เห็นท่ามันอยู่ในส่วนฐานที่หลายคนเขาทำทันทีมีภพบารมีครบเต็มเขาเป็นอย่างนี้อะไรี้คูอให้ฟังว่าทพิจารณาในตอนต้นเราควบคุมกําลังจิตให้เป็นสมาธิตัวสมาธินี่สาคัญสมาธินี่อยู่ที่อนาปาลุสติเป็นตัวใหญ่แต่ว่าเราจะพอใจในกรรมฐานกองไหนแล้วก็ทําได้ตามสบายแต่ถว่ายยาที่อนาปาลุคติเอาตัใหญ่ขึ้นตัวเลย่งไว้ก่อนไม่อย่างนั้นกรรมฐานกองนั้นจะไปไม่ได้ ถ้าเราวันนี้พูดเยอะแต่ความจริงไอ้เรื่องพูดไม่พอสำคัญถ้าพวกท่านไม่เข้าใจสค่อย่างเดียวผมให้เจริญกรรมฐานาไปแสนชาติเพื่ไจะ ไ, ได้อะไรเลยแต่หาว่าท่านมีความเข้าใจเชืจริงๆแล้วเรื่องกรรมฐานนี่มันง่ายไม่เดียวโดวยเฉพาะทั้งสมาธิและพัฒนายาณไม่ใช่ของยากเลยของง่าย แล้วจะเห็นว่าสมัยก่อนๆเขาปฏิ บ, บัติกันฟังพระพุทธจ้าเพื่จบเดียวเป็นอาหันฟังพระพุทธจ้าเพ่จบเดียวเป็นเโสษดาเป็นทาการาคานะคานั่นเป็นเพราะเขาเข้าใจจะไปบอกบารมีเขาเต็มบรารมีเขาเต็มได้บรารมีเรามันก็เต็มได้ทําไมมันจะเต็มไม่ได้เพราะมันของสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไม่ใช่เป็นขนของเก่าเสมอไปแล้ว เราก็จะเห็นได้ว่าคนที่มีบรารมีป่อแปะอย่างธราชาพาม์พระราชาพรม์ราารราารมีบรารมีป้อแปะเต็มที่แต่องค์สมเด็จพระสรรัมมาสัมพุทธเจ้าแม่นิดเดียวบรารมีเต็มเต็มปฏิบัติตามเพื่อนั้นเองไม่ปากฝืนไม่ใช่เป็นนั่งอวดตัวเป็นสัจจ น, นาภ า, ธายนอกแม้ใครมาแล้วคุยพุง่งรู้นั่งรูนี่รูน่น แต่ที่ไหนได้ไนดะ้เอาจริงเอาจริงถึงแหมาวินไนข้อเล็กๆจะไม่รู้เลยถ้ามาที่ก็มาเด็ดดายอะไเอาเอารมณ์เผือไปคุยไปช้ำบ้ายเขาเออถ้าเรามันเผือแล้วไอ้คนนับฟังมันก็เผือด้วยถ้าเขาเ้าใจจิตเราเลยกลายเป็นคนทํำให้เ ข, เขาเกิดเป็นมิตรพาที่เราลงในรกสบายอยู่กับเทวทัพยอย่านักปฏิบัติเขาไม่คุยมากถ้าเราไม่รู้จริงอย่าไปคุยเด็ดขาด ท so so, ่าไม่เข no well so, so ้าใจบอกสําธรรมมีไปอ่านที่เขาถามว่าท่านทาไมถึงไม่อธิบายกับฉันก็มอ่านเลยยังไม่ได้อ่านในกันไปที่เจ็บในการถ้าถามว่ากบฏในสำนักการปฏิบัติการมหาศาลนี่ทำไมยังที่เจ็บบอกฉันในคนเอาทันบวชอาศัยกินน้เพรฆาตใครจะได้รู้ใครจะไม่ว่าเราต่อไปถ้าเราต่อบไปนี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงตั้จิตให้มัน กำลังรู้ลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจเรีนนาตามอฏิญาสายไม่ปล่อจะดีขึ้นยานบอกหมเวลาวันนี้ตั้งเวลาไว้แค่ยี่สิบนาทีเค่านั้นนะเร่งเร่งตัวกันหน่อยหน่อยลอยอันสาตัวจนทั้งหลายสําหรับวันพุธนี้อาตมาก็มีโอกาสมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทตามปกติเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสิบสี่ รู้สึกประหยัตายพลืนไปความจริงนะตั้งใจจะตายแต่ครึ่งปี <c oughs> นลมืตายไปตายมามันก็ตายคลืนไปจนกระทั่งย่างเข้าเดือนมกราพศ .2515 เมื่อวันที่ห้านี้จริงพลืนขึ้นมาที่ความจริงมนาะพูดว่าในวันก่อนว่าพคนืนขึ้นมาแล้วแล้วก็จะเป็นการจบเรื่องตาย จะได้นำอาริยาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิบห้าข้อที่เรียกกันว่าจรณะสิบห้ามาพูดให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง <c oughs> แต่ท่านมาพูดไปแล้วเมื่อวันพุธก็มันนอนไข้ทวนดูว่าควรจะนำจรณะสิบห้ามาพูดเลยดรยังหรือว่าจะเป็นไ้ก่อน ทั้งนี้ก็เพราะว่าการพูดนี่ไม่มีการจดจำเขาไว้หมายความว่าเวลาพูดเนี่ยไม่ได้เห็นไม่เป็นรายลักษณ์อักษรไม่ได้เรียบเรียงเขาไว้เวลาที่จะทำอย่างนั้นมันไม่มีจริงๆทนพุทธ บ, บริษัททั้งนี้ก็เพราะว่าตัวเองก็ป่วยไข้ไม่สบายแถมความแ ก, ก่ก็เขาครอบงาคนแก่มีงานมาก ทั้งนี้ก็เพราะว่าการก่อสร้างภายนอกก็รู้สึกว่าจะยับยั้งลงไปตั้งใจว่ า, วาการสงเคราะห์การก่อสร้างต่างๆมัดภายนอกต่อไปก็ให้แตกจะให้แต่สมองความคิดคำแนะนำหรือว่าใครมีศรัทธาก็จะบอกบุญให้ การนี่จะเห้ไปควบคุมกิจกายงานางเห็นจะริญรับกันทีเพราะทนไม่ไหวตรงนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าทำอะไรที่ไหนโดนเหมาเสทั้งหมดบางทีเรื่องนอกในสิ่งที่มันเป็นเรื่องนอกเรื่องนอกราวไม่ได้ตกลงกันไว้ทายเย้ะของสิ่งก็มาเหมาให้เสียนี่รู้สึกว่าจะไม่รักษาระเบียบความดีกป็นเอาไว้ <c oughs> และยิ่งไปกอ่นั้นอัตภาพร่างกายก็ไม่ดีก็รู้สึกห่วงไม่ได้ห่วงตัวเองห่วงพุทธบริษัทที่ยังไม่เข้าถึงธรรมะบ้างที่กำลังสนใจในด้านธรรมปฏิบัติและก็กำลังจะ ก, ก้าวขึ้นไปบ้างแต่หากว่าเวลานี้ไปทำงานภายนอกงานแห่งก็รทำก็เสียไป ก็เป็นอันว่ามัสนสมกับเจตนาที่ตั้งไว้ความจริงการสงเครา ะ, ระห์กังวให้ให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้มีสถานที่อยู่ดีและไม่ที่จาเป็นกุศลเป็นที่น่าเชิ่หน้าโูตาเป็นที่เรื่องรมของใจะจะได้ว่าท่านทําไปทําไปมันก็โดนเหมาเสหมดก็เลยเลิกกันดีกว่าต่อไปเจ้านี้ก็จะกลับ้ามาหัน คันก็มาสร้างในสถานที่ที่อยู่ลัอย่าสร้างสถานที่พักขมรรดาท่านพุทธบริษัทที่ปรารถนาไม่ทำที่มุ่งทำโดยเฉพาะสร้างเป็นที่พักจะทำเป็นตึกสองชั้นมีห้องนอนประมาณสิบสองห้องนอนมีห้องน้าห้องน้ำห้องส่วมเสร็จมีที่พักสงสาปราศัยพอสมคว เึ่็นหลังนี้จะประมาณราคาไว้ประมาณห้าแสนบาทแต่ก็อย่าค่อยๆทำค่อยๆไปมันจะเสร็จเมื่อไรก็เป็นเรื่องของผลงานไม่รีบไม่ร้อนมันตามที่เคยทำมาแล้วตั <c oughs> ้งนี้ก็เพื่อจะเป็นการระวิงเวลาถนอมแรงขวา้มาสนทนาปราศเรื่องธรรมะธรมะธรมูกับันดาท่านพุทธบริษัทดีกว่า เลื่อการสถานที่ขอคอมมีบ้างแล้วที่จะทำก็เป็นการห่วงใยบรรดาท่านพุทธบริษัทที่สนใจในธรรมะจริงๆเท่านั้นเอาเรื่องนอกเี่ยนนอกรอยมีขอระงับเพียงเท่านี้เมื่อคันไข่ควนดูแลจากวันพุธก่อนก็คิดว่าวันนี้ยังไม่ควรนำาจรณะสิทธ้ามาพูด เอเรื่องการตายได้พูดจบลงไปแล้วแล้วก็เริ่มพื้นขึ้นตัวมามาจนจะสิ้นเวลาของวันพุธก่อนมานึกดู ว, ว่าเมื่อพื้นขึ้นมาแล้วทำอะไรบ้างตามคำที่องค์สมเด็จพระจินนวรบรมศ า, าสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงแนะ น, นำไว้อันนี้ควรจะบาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง การพูดให้ฟังนี่ไม่ใช่สอ น, นบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อท่านรับฟังแล้วจงอย่าคิดมากสอน <c oughs> เพราะคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีมานานแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ต่างคนต่างนัดคำสอนมานานแล้วนี่อาตมาขอนำมุมใดมุมหนึ่งในพะระพุทธศา ส, สนามาเล่าให้ฟัง ที่ตัวเองได้รประสบมาเท่านั้นเป็นเรื่องที่พบมาแล้วก็ผ่านมามันเล่าสู่กันฟังนนเมื่อฟังแล้วก็ยงอยาเชื่อเพราะว่าถ้าเชื่อเสร็จแล้วพระพุทธเจา้าจัดวากเป็นอนิสิมโมกสถานนี่เวลาพูดแนตะ่มันไม่ค่อยัดเพราะว่ามันเออเอเอนี่ ฟื้นมาแล้วยังยั ง, ยงตายต่อไปอีกอีกอกคราวนี้ถ้าตายแล้วก็ไม่ฟื้นเลิกกันอรู้ตัวจึงพยายามจะพูดธรรดาท่านพุทธบริษัทเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาให้ทราบพอรู้ตัวว่าอย่าตายแล้วเวลาตายนี่มันก็เอาแน่นอนไม่ได้อาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ขณะนี้ก็ได้นี่ไม่เครื่องหมายในความตายจะไม่ปรากฏแก่บุคคล คนละสัตว์ในโลกนี้จะกําหนดความวนิมิเครื่อหมายความตายให้แน่นอนไม่ได้เออมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องทรงความไม่ประมาทไปก่อนแม้นะแต่เสียงอะไรมาตึงตังตึงตังแล้วก็ทราบเลยนะว่าที่กุติเวลานี้ก็ทํางานกันพระจะลองทํางานก่อสร้างสร้างเสริมอาคารต่างๆ เสียงมันอาจจะเข้ามารบกวนปังก็ขอบรรดาลเปนพุทธบริษัทให้อภัยด้วยนี่เมื่อคนเรารู้ว่าจะตายก็เตรียมความตายกันไว้ถ้าวิธีเตรียมความตายไม่แน่แชัดไปถนัดนักก็ปังฟังไว้บ้างก็ดีเหมือนกันจะรองประพฤติปฏิบัติตามดูบ้างตามที่ชอบใจก็ดีเหมือนกันแต่เอาแค่ที่บรรดาลเป็นพุทธบริษัทสอบใจ นี่ต่อจากนี้ไปก็อย่าขอเข้าเรื่องใ้เรื่องนอกประเด็ น, นจะขอยกไว้ <c oughs> ประเด็นที่จะกล่าวต่อไปก็คือการฟื้นคืนตัวขึ้นมาในการการฟื้นคราวนั้นก็ต้องขอของคุณพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์และพลจัตวาพลเรือจัตวาหลวงประกอบโลคามาศ ทั้งสองท่านพร้อมด้วยในแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือทั้งหมดที่ให้ความอุปการะในการตายและการฟืน้นการดังษาพยาบาลโบตมงานสายโรงพยาบาลของกรมแพทย์ทหารเรืออยู่ทั้งสองปีเมือหลังจากฟื้นมันแล้วก็ยังจำบรนษาอยู่ที่นั่นสองปีเพราะว่ามันเอาดีไม่ได้ เมื่อเวลาออกจากโรงพยาบาลไม่กี่วันก็ต้องหามเข้าโรงพยาบาลใหม่แต่ว่าแต่พอเข้าโรงพยาบาลในสามวันก็ปรากฏอาการโรคหายไปแต่ก็ออกไม่ได้จะออกเมื่อะไรต้องหามเข้าไปเมนะื่อนั้นนี่มันเป็นโรคของกรรมไอ <c oughs> เรื่องกฎของกรรมใครห้ามปรามไม่ได้หลังจากพึ่งคืนชีพเข้ามาแล้วร่างกายทั้งหมดที่ปรากฏไปเป็นโรคอะไรก็ตาม รู้สึกว่ามันหายไปหมดทังพุทธ บ, บริษักทก่อนเสีตายอาการอื่นในท้องปรากฏอาการเสียดในหน้าอกปรากฏพราะแก๊สไม่ขึ้นแต่ถ้าว่าเมื่อฟื้นคืนตัวขึ้นมาแล้วอาการทังร้งหลายเหล่านั้นมันหายไปหมดรู้สึกว่ากำลังวังชาดีขึ้นอะไรอะไรไมันก็ดีไปหมดประสบประสาดดีหมดทุกอย่าง อันนี้มันน่าแปลกเหมือนกันอันนี้ก็คงไม่ไม่ใช่ของแปลกสาหรับคนที่เคยตายแล้วกลับฟื้นคืนชีพกันมาทุกคนแมมักจะให้การอย่างนี้เสมอกันเรื่องนี้ก็ขอผ่านไปเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจากความตายหรือว่าฟื้นมาแล้วจากความตาย ก็ได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์จากในแพทย์เป็นอันดีตลอดจึงตั้งจากพยาบาลให้การอุปการะอุปถัมภ์เป็นอย่างดียิ่งต่อมาก็มานึกถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า, าที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าสัมภเกสีนับตั้งแต่นี้ต่อไปเวลาสี่ทุ่มไปแล้ว เธอจงนำมัตการพระรัตนตรัยแล้วก็ทากิตให้เป็นสมาธิเข้าสมาธิภาวนาแล้วก็พิจารณาสังขารให้อารมณ์แจ่มใสเธอจะเห็นตถาคตและตะถาคตก็จะมาสอนวิปัตนาญาณให้แก่เธอนี่คำนี้ยังก้องอยู่ในโสตประสาทแม้แต่วันนี้ ไม่กล้องอยู่เสมอเมื่อนึกถึงขึ้นมาอะไรก็เห็นภาพที่เนวันนั้นตัวเองนั่งอยู่ตรงไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรกรุณาสัจจตาสมาตาัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับนั่งอยู่ตรงไหนปฏิกิริยาใจไหลประจวบเสียงที่พระองค์ทรงจัดมาเลิกการที่พระองค์ทรงแสดงทุกอย่างมันยังกล้องอยู่ในโสตโทระสาท แต่ยังสว่างสวัยปรากฏอยู่ในความทรงจำเหมือนกับเวลานี้นั่งอยู่ตรงหน้าของพระพุทธเจ้าเกิอเป็นอย่างนี้ตลอดมาหลังจะฟื้นคืนตัวขึ้นมาแล้วภาะิีองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกรมาสัต ย, รรยสยดาจานทร์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาสอนทรงตัเกเตือนในการนั้นอย่าง